วันนี้เป็นวันเสาร์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่มีการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้ปกติจะมีการแสดงธรรมทุกบ่ายสองโมงของวันเสาร์วันอาทิตย์ วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชยเวลาบ่ายสองโมงศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีจิตใฝ่ธรรมก็จะมาฟังเทศฟังธรรมมาสนทนามาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขแก่จิตใจที่จะตามมาเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้มีอนิสงส์หรือมีประโยชน์อยู่หลายประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอง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 จะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เช่นความสงสัยว่าเราเกิดมาทำไมกันเราเกิดมาแล้วเราควรจะทำอะไรกับชีวิตของเราการได้มาเกิดคือการได้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับการได้เครื่องมือชิ้นหนึ่งเช่นได้มีดมา มีดนี้ก็เป็นเครื่องมือที่จะเอาไปทำคุณทำประโยชน์ก็ได้เอาไปทำโทษทำความเสียหายก็ได้อยู่ที่ผู้ใช้มีดว่าจะเอาไปใช้ในทิศทางใดถ้าเอาไปใช้ทำกับข้าวหั่นผักหั่นเนื้อก็จะทก็จะเป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากการใช้มีด แต่ถ้าเอาไปใช้ทำร้ายผู้อื่นก็จะทำให้เกิดโทษกับผู้อื่นและเกิดโทษกับตนเองฉันใดการที่เราได้มาเกิดได้ร่างกายของมนุษย์นี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เราจะสามารถเอาไปใช้ทําคุณทําประโยชน์ให้กับตัวเราก็ได้หรือเอาไปทํา ทําความเสียหายให้กับตัวเราก็ได้ <c oughs> ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทำอะไรเราก็จะไปทําตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งความรู้สึกนึกคิดของเรา ที่พาให้พวกเรามาเกิดก็คือการอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นอยากจะหาความสุขจากลาบยศสลดเสงจากรูปเสียงกลิ่ลรสผทอพ้าชนิดต่างๆชีวิตของเราก็จะมุ่งไปในการหาความสุขเหนี้แล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆ จนกว่าร่างกายจะถึงแก่ความตายไปพอร่างกายตายไปใจของเราที่ยังมีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จากภาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพ้ทพาชนิดต่างๆใจของเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ แล้วก็จะกลับมาเกิดใหม่เมื่อแก่มาเจ็บมาตายใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าการกระทําแบบนี้การกระทําตามความอยากจะไม่ทําให้ความอยากที่มีอยู่ภายในใจหายไปหมดไปแต่กลับจะทําให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีความอยากที่จะหาความสุข จากลาบยศเส ร, ริญจากรูปเสียงกิจลดผลิตภัพฑ์ใจก็จาเป็นที่จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเรามาเกิดแล้วเราก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆที่เราไม่อยากจะเจอกันแต่เราคิดว่าการมาเกิดนี้จะพาให้เรามาพบกับความสุข อย่างเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันเพราะว่านอกจากความสุขที่เราหากันได้จากลาบยศสารเสญสุขแล้วเราก็จะต้องเจอกับความทุกข์ทีเ่เกิดจากการมีร่างกายร่างกายนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยเลี้ยงดูคอยรักษามันก็เป็นภาระ การมีภาระในการเลี้ยงดูร่างกายมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งทุกในการประกอบการการมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วยังต้องมาทุกกับภัยต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ภัยที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากยินฟ้าอากาศน้ำท่วมบ้างไฟไหม้บ้าง แผ่นดินไว้บ้างแล้วก็ยังมีภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีเชื่อโรคที่แพร่ระบาด ท, ที่สามารถทําให้ผู้ที่ติดเชื้อโรคนั้นถึงแก่ความตายได้ก็มีแล้วก็มีโรคที่ติดมากับร่างกายคือโรคของของอวัยวะต่างๆที่เมื่อใช้มันไปเรื่อยๆ พออายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็เสื่อมสภาพลงไปมันก็จะน่มเกิดอาการบกคล่องไม่เป็นปกติแล้วก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาเช่นโรคปลอโรคปอดโรคไตโรคหัวใจโรคตาโรคอะไรต่างๆมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามาได้รับร่างกายอันนี้ ถ้เราอยากจะมาเจอกับภัยจากมนุษย์ที่โหดร้ายทางนุนมนุษย์ที่ไว้ความเมตตาการุณามนุษย์ที่คอยเพ่งจะหวังเอาผลประโยชน์จากผู้อื่นอยู่สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นที่จะตามมาหลังจากที่เราได้มาเกิดกันแล้วแล้วหนที่สุด เราก็ต้องมาเจอกับความตายของร่างกายมันก็เป็นความทุกข์แต่เราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงภัยนิ้วความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าเราอยากจะมาเกิดกันอยากจะมาหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ ก็คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัพที่เราใช้ตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสดในการสัมผัสเพื่อให้ความสุขกับเราแต่มันเป็นความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวได้มาแล้วไม่นานความสุขนั้นก็หายไปไม่ได้ยั่งยืนไม่ได้ให้ความสุข ที่ทำให้เกิดความรู้สึกอิ่มพอรู้สึกว่าไม่ต้องการอะไรไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วแต่เป็นความรู้สึกที่เป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่ายังขาดนั่นยังขาดนี่อยู่ได้เท่านี้ยังไม่พอเช่นได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้วาเป็นต้นนี่คือการ ใช้ร่างกายในการไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้จะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ที่เราได้รับจากการมาเกิดนั้นถ้ารวบรวมกันจากภพชาติต่างๆที่เราได้มาเกิด แก่เจ็บตายกันนี้ท่านว่ามันมีมากมายมหาศาลไม่สามารถที่จะประมาณได้นอจาจะจะเอาน้ำตาที่เราหลังแต่ละครั้งเวลาที่เราเจอกับความทุกข์ต่างๆในโลกนี้ถ้าเราน้ำตาที่เราหลังออกมาในของแต่ละภพแต่ละชาติที่เรามาเกิดน้ำตาที่เราได้หลังไวน้นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า มันมีมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรน้าในมหาสมุทรมากมายขนาดไหนเราต้องร้องห่มร้องไห้กันมากมายขนาดไหนจะต้องทุกข์จะต้องเศร้าโศกเสียใจกันมากมายขนาดไหนถึงจะทำให้เราหลั่งน้ำตาได้มากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นหละคือจำนวนของภพชาติที่เรามาเวียนว่าตายเกิดกัน และก็ยังไม่หยุดยังถ้าตาดใดเรายังไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีมาพบกับพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือมาพบกับพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระสุปฏิปัโนทั้งหลาย mm. เราก็จะไม่รู้ว่าการใช้ชีวิตของเรานี้มีอีกทางเลือกหอนึ่ง mm. ทางเลือกก็คือการใช้ชีวิตเขใช้การมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ mm. ให้มายุให้มาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกัน mm. เพราะการเกิดนี้มันเป็นทุกข์ mm. ถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีความทุกข์ที่จะต้องเจออีกต่อไป ก็ต้องหยุดความหยุดการมาเกิดให้ได้เท่านั้นเองนี่ก็คืออีกทางเลือกหนึ่งของการมาเกิดเป็นมนุษย์เราสามารถเลือกทางได้ในภพนี้ชาตินี้เพราะว่าเรามีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกเราว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราสามารถใช้ร่างกายนี้ไปใน ทางสองทางได้ทางที่จะนําให้เกิดทุกเกิดโทษกับจิตใจของเราก็คือการไปทําตามความอยากต่างๆของเราและทางที่จะทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราก็สามารถที่จะทําได้และพระพุทธเจ้าและพระ อาหาันตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ได้พิสูจน์ทางเลือกอีกทางหนึ่งแล้วคือทางที่จะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปว่าเป็นทางที่เลิศเป็นทางที่ประเสริฐเพราะเป็นทางสู่การบุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทางที่นำไปสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่คือพระบร ม, มสุขความสุขของพระนิพพาน ที่ไม่มีการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าเราฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆเราก็จะสามารถสรุปลงได้ที่การกระทำของเราในภพนี้ว่าการกระทำของเรานี้จะไปในทิศทางใดไปทิศทางที่จะพาให้ไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆหรือไปในทิศทางที่ยะยุติ ยุดการเวียนว่ายตายเกิดอย่างถาวรก็ ม, มีสองทางเลือกอถ้าเราเลือกทางโลกกระทาการหาความสุขจากราบยศสร ร, รรสน์จากรูปเสีรรยงกลิ่นรสผลเราก็จะไปสู่ทางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราเลือกไปในทางที่ผู้เจ้าทั้งหลายได้ส่งสอน เราก็จะไปสู่การดุจพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปสู่ความบรลลุมสุขของพระนิพพานคือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดทางที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติได้เข้าถึงได้บรรลุนั้นเมื่อท่านได้สําเร็จแล้วท่านเห็นว่าเป็นทางที่เลือที่ประเสริฐที่สุดท่านก็นําเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่สารโลกผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดนี้ให้นาเอาไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ารูปใดองค์ใดก็ตามที่ได้มาตัดสู้ทางสู่การหลุดพ้นแห่งความทุกข์ของการเวียนว่าตายเกิดก็จะนำทางนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับ สารโลกไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดในอดีตก็ดีในอนาคตที่จะตามมาก็ดีหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่พวกเรากราบไหว้บูชามีศรัทธามีความเนื่องใสก็ดีพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์นี้จะสอนให้เราได้หยุดหยุดห ย, ยุดการเวียนว่ายตายเกิดหยุดการกลับมาเกิดได้อื mm. ด้วยการด้วยคำสอนสมขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือการปฏิบัติการใช้ชีวิตของร่างกายของมนุษย์นี้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ที่สูงสุดให้นําไปสู่วิบุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้ได้ไปถึงพระนิพพานที่เป็นความที่มีแต่ความรู้สุขไปตลอดอนันตการอยู่ที่การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามข้อนี้ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตาม เมื่อหลังจากได้ตัดสู่แล้วท่านจะประกาศพระธรรมคําสอนก็จะสอนวิธีการปฏิบัติสามขั้นตอนนี้ทุกๆพระองค์ไปเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหวังรอให้ไปพบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไป <S <S เพื่อที่เราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากกองทุกข์แก่แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้เพราะเรามีพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่สอนพวกเราอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าตัวพระพุทธเจ้าเองจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วพระตามแต่ตัวแทนของพระพุทธเจ้าก <c oughs> ็คือพระธรรมคำสอนที่เป็นสวาก ข, ขาตัวพระกวตาธรรมโมเป็นคำสอนที่ถูกตั้งแม่นยำตามหลักความเป็นจริงทุกประการนี้ก็จะเป็นาศาสดาของพวกเราได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถึงแม้ตัวพระพุทธเจ้าเองจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่พวกเรานี้จะพวกเราผู้มีความศรัท ธ, ธามีความนับถือมีความเลื่อมใสในพระในพระพุทธเจ้านี้ mm hmm. ก็ยังจะมีศาสดามีพระพุทธเจ้าสั่งสอนอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา 45, สี่สิบห้าพันปีด้วยกัน mm hmm. พระพุทธเจ้านี้ทรง ทรงมีความให้ความสำคัญต่อการเผยแผ่พระธรรมคำสอนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเนะพระพระพุทธเจ้านี้สอนธรรมะทุกวันวันละสามสี่รอบด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็แสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมคารวะทุกองเลืมในคยามข่ำก็แสดงธรรมให้กับนักบวชภิกษุภิกษุณี และในยามดึกก็แสดงธรรมให้กับเทวดาแล้วก็ในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินทบาทก็ส่งแรงยารือว่าจะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นอนนี้คืองานหลักของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธกิจมีห้าข้อด้วยกันข้อที่ห้าก็คือการเสด็จออกบินทบาตโปรดสัตว์ นี่คือกิ จ, จวัตรที่พระพุทธเจ้าส่งให้ความสำคัญยิ่งกว่ากิ จ, จวัตรอย่างอื่นไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างถาวรวัตถุอะไรต่างๆเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดวาอารามไม่เคยสร้างพ ร, พระพุทธรูปอะไรต่างๆมีผู้สร้างพระพุทธรูปมาถวายพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพระพุทธรูปนี้ไม่ใช่เราเราไม่ใช่พระพุทธรูป เราคือธรรมที่เราได้แสดงไว้ดีแล้วธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วถ้าเธออยากจะพบกับเรารู้จักกับเราเวลาที่เราไม่อยู่ขอให้เธอเข้าไ ป, าไปหาพระธรรมคำสอนของเราแล้วเธอก็จะได้พบกับตัวเราดัง <Yeah. S 1> ที่สงตัดไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นพระธรรมคำสอนของเรานี่เองอ น, นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการเผยแผ่ธรรมะคำสั่งสอนให้กับสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเมื่อได้ศึกษาได้รู้วิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ว่าต้องทำอย่างไรแล้ว พอนำมาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติแบบสุปฏิปโน mm. ก็จะสามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้บรรลุเป็นพระอริยสงสาวกขั้นต่างๆได้ mm. ทั้งแต่ขั้นพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันบุคคลเหล่านี้ก่อนที่จะบรรลุเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้า ก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่เนื่องจากหลังจากที่ได้ยินได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเรื่อมใสที่อยากจะศึกษาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้รู้จักวิธีของการปฏิบัติให้ชัดเจนขึ้น พอเริ่มเข้าใจวิธีการปฏิบัติอย่างชัดเจนว่าต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติไปก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของตนจิตใจที่มีความทุกข์มีความวุ่นวายใจต่างๆก็จะเริ่มลดน้อยถอยลงไปตามลําดับ mm. ยิ่งทําให้เกิดมีศรัทธาภาษาทะมีความเชื่อมีความเนื่อมใส ในพระพุทธเจ้ายิ่งมากขึ้นไปใหญ่แล้วก็จะทำให้ปฏิบัติให้มากขึ้นศึกษาให้มากขึ้นไปตามลำดับ<ม>การศึกษาและการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ต้องทำไปควบคู่กันไป<ม>ศึกษาไปแล้วพอรู้ว่าต้องทำอะไรก็นาเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเริ่มเห็นทาง<ม>เห็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าจะต้องทาอะไรเพิ่มขึ้น ก็จะศึกษาเพิ่มขึ้นไปเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาปฏิบัติกันตามสามขั้นตอนนี้ถ้าเราอยากจะไปพระนิพพานอยากจะได้วิมุตติหลุดพน้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องทำตามสามขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือให้เราละการกระทำบาปทั้งปวง การลากระการทำบาปทั้งปวงนี้ทำเพื่ออะไรทำเพื่อปิดประตูอาบายนั่นเองท ำ, ทำเพื่อให้เราไม่ไปเกิดในอาบายถ้าตราบใดเรายังทำบาปกันอยู่เราก็ยังจะต้องไปเกิดในอาบายอาบายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันคือหนึ่งเดลฉานสองเปรตสามมรรสุรกายและสี่นรก นี่คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาป <sim. S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องปิดประตูาบายด้วยการไม่กระทำบาป <sim. S 2> เพราะการกระทำบาปจะเป็นผู้ที่เปิดประตูาบาย <fting. S 1> ผู้ที่จะพาให้เราเข้าไปอยู่ในอาบาย <sim. S 2> เราก็ต้องมาละการกระทำบาปและการกระทำที่สนับสนุนการกระทำบาปด้วยก <sim. S 2> <sim. S 1> ารกระทำที่สนับสนุนการกระทำบาปนี้เราเรียก ว, ว่าอาบา ย, ยามุก ถ้าเสพอบายามุกอยู่เรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เหลวอบายามุกก็จะทำให้เราต้องไปทำบาปกันจึงต้องรักจึงต้องไม่ทำบาปและไม่เสพอบายามุกบาปนี้ก็มีอยู่ห้าข้อหรือสีลห้าสีลห้าคือการละเว้นจากการกระทำบาปห้าข้อบาปที่เราต้องละเว้นก็มีหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตของใครก็ตาม ชีวิตของสัตว์เลี้ยงาฉันชีวิตของมนุษย์ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่เราต้องไม่ไม่ฆ่าเขาสองไม่ให้เราลักทรัพย์คือไม่เอาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนถ้าเจ้าของอนุญาตให้เหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นการรักทรัพย์สามไม่ให้ประพฤติผิดประเพณีคือไม่ให้มีการเสีร่วมเพศ กับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเราไม่ใช่เป็นสามีไม่ใช่เป็นภรรยาของเราเป็นต้นสี่ให้ละเว้นจากการพูดปด mm hmm. โกหกหลอกลวง mm hmm. เพราะการกระทําทั้งสี่ข้อนี้จะทําให้เกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและความเสียหายที่เกิดึ้นี้จะเป็นเหตุที่จะทําให้เราต้องไปชดใช้ค่าเสียหายด้วยการไปเกิดในอบาย ในอบายใดอบายหนึ่งก็ อ, อยู่กับเหตุสาเหตุของการกระทำว่าเราทำบาลด้วยสาเหตุอันใดถ้าเราทำบาลด้วยความหลงด้วยความคิดว่ามันไม่บาหมันมันไม่เป็นไรเพราะเช่นมันเป็นการเลี้ยงชีพบางคนคิดว่าการที่เราต้องเลี้ยงชีพ้วยการทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทอาชีพค้าเป็ดค้าไก่ค้าวาัวค้าวาัาวค้าควายนี่มันไม่บาปเพราะมันเป็นการเลี้ยงชีพแต่ความจริงมันเป็นบาปเพราะมันเป็นบาปของของสัตว์เดรัจฉานนี่เองสัตว์เดรัจฉานเขาก็คิดแบบนี้เขาคิดว่าเขาจะต้องอยู่เอาตัวของเขาอยู่รอดและการที่เขาจะอยู่รอดได้เขาก็ต้องฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยกว่าเขาเป็นอาหาร นั้นถ้าใครทำบาปด้วยความโง่ด้วยความคิดว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นเป็นอาชีพที่ต้องทำํำเมื่อตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดชะชานนี่คือถ้าทําบาปไม่ว่าจะบาปด้วยการฆ่าสัตดลักทรัพย์อภุดผิดตระเพณีก็จะต้องไปใช่บาปด้วยการไปเป็นสัตว์เดชะชานถ้าทําบาปด้วยความโลภ ความอยากได้มากๆอยากรวยมากๆอยากมีมากๆถ้าทำบาปก็จะไปเป็นเปรตเปรตนี้จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยไม่มีร่างกายไม่มีร่างกายเป็นดวงวิญญาณไม่เหมือนเดลฉานเดลฉานนี้มีร่างกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนไปฆ่าเขาก่อน อันนี้ก็จะทำให้ไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอาสูรกายแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมตาต่อตาฟันต่อฟันใครทำร้ายเราแล้วเราต้องลางแค้นทำร้ายเขากับการทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทนี่ก็จะทำให้ดวงวิญญาณไปนรกน แลกก็คือไฟที่เผาไหม้จิตใจไฟแห่งอาการอาฆาตพยาบาทนี่คือทําไมถึงมีอาบายอยู่สี่สถานด้วยกันก็เพราะว่าการทําบาปนี้มีเหตุผลผลักดันให้ทําอยู่สี่เหตุผลด้วยกันเหตุหนึ่งก็คือความหลงเหตุหนึ่งก็คือความโลภเหตุหนึ่งก็คือความกลัว เหตุหนึ่งก็คือความโกรธความอาฆาตพยาบาทจึงทำให้ดวงวิญญาณนี้ทุกข์ร้อนในรูปแบบต่างกันไปนี่คือถ้าไม่รักษาสีนห้าทาบาปก็จะทำให้จะต้องไปเกิดอาบายในอาบายก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในอาบายไปเรื่อยๆจะไม่มีวันที่จะหนุนออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะไปติดอยู่ในอบายถ้าอยากจะไม่ติดอยู่ในอบายไม่เวียนว่ายตายเกิดในอบาย <c oughs> ก็ต้องรักษาศี่ห้าให้ได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ละเว้นจากการลักทรัพย์ลเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีละเว้นจากการพูดปุจและละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาการดื่มสุรายาเมานี้ความจริงไม่ได้ถือว่าเป็นบาป เพราะยังไม่ได้ไปทําให้ผู้ใดเสียหายถ้าเราดื่มแล้วเราเราง่วงนอนเราไปนอนเราเมาแล้วเราไปนอนความเสียหายก็ยังจะไม่เกิดกับผู้อื่นแต่มันเป็นเหตุว่าถ้าดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมาแล้วยังไม่ไปนอนแล้วยังไปทําอะไรต่างๆอยู่ก็จะสามารถไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นได้เช่น ดืช่ชโลาแล้วมาแล้วก็ไปขับยานยนต์ไปขับรถไปตามสถานที่ต่างๆก็จะทําให้ไม่สามารถควบคุมการขับรถยนต์ให้อยู่ในในอย่างปลอดภัยได้ให้ไปได้อย่างปลอดภยัยก็จะไปไปเกิดอุบัติเหตุไปทําให้ผู้อนเสียชีวิตหรือเสียทรัพย์สินพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าการกระทําบาปนี้มันไม่ได้เป็นบาปโดยตรง แต่มันก็เป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้เกิดกระทำบาปขึ้นมาต่อไปก็เลยต้องห้ามไม่ให้ดื่มเครายามเมาไม่ให้ดื่มของมึนเมาต่างๆที่จะทำให้ขาดสติที่จะไม่สามารถควบคุมการคิดการพูดการกระทำต่างๆของตนเองได้อันนี้ก็คืออบายามุขอบายามุขนี้นอกจากการดื่มเคราแล้วก็ยังมีอีกสิ อีกสี่ข้อด้วยกันคือการเล่นการพนันการเที่ยวเตร่กัความเปลียดค้านและการคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรการกระทําสิ่งเหล่านี้จะทําให้ไม่ช้าก็เร็วก็จะผลักดันให้เราไปทําบาปต่อไปได้เช่นถ้าเราเล่นการพนันเมวลาเราเล่นการพนันนี้เราก็จะติดกับการเล่นการพนัน เวลาได้เราก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นเราก็จะเล่นต่อเวลาเสียเราก็อยากจะได้คืนเราก็จะไม่เลิกเล่น<ม>เราก็จะเล่นไปพอเงินทองไม่มีให้เล่นเราก็จะต้องไปขายทรัพย์สินต่างๆมีข้าวของเงินทองมีอะไรที่ขายได้ก็จะขายหมดเพื่อมาเล่นต่อ<ม>ตดยในที่สุดก็อาจจะต้องขายบ้านขายขายช่องแล้วก็ไปเป็นหนี้เป็นสิน<ม>พอเจ้านี้มาถวงหนี้ไม่มี ไม่มีเงินจะจ่ายเขาได้ก็อาจจะต้องไปลักทรัพย์ของผู้มาจ่ายเราคงได้ยินข่าวๆ ข, ของคนที่ไปทำบาปเพราะว่าต้องไปาหาเงินมามาใช้นี่จากการเล่นการพนัน <Yeah. S 1> อย่งนั้นการพนันนี้มันไม่มีทาให้เราได้มีรายได้เพิ่มส่วนใหญ่มันจะทำให้เราหม ด, หมดเงินหมดทองเช่นเนื้อประดาตัว แล้วมันก็จะบีบบังคับให้เราต้องไปทำบาปให้รักทรัพย์หรือไม่เช่นนั้นก็ไปโกหกหลอกลวงหรือไปป้นไปจี้ซึ่งอาจจะทําให้เกิดมีการฆ่ากันได้ดงั้นการเล่นการพนันก็จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเสกกันการเที่ยวก็เหมือนกันการเที่ยวก็ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่าย<ม>เที่ยวแต่ละครั้งก็ต้องเสียเงินเสียทองเที่ยวมากๆเที่ยวบ่อยๆมันก็จะติด เราก็จะไม่อยากจะไปทำงานทำการถ้าอยากจะหาเงินหาทองก็ <c oughs> คิดจะหาวิธีช่อกองหลอกลวง <c oughs> เพราะเป็นวิธีการที่หาเงินได้ง่ายได้สะดวก <c oughs> เราคงได้ยินได้ฟังข่าวของคนที่ <c oughs> ทำาอาชีพแบบนี้ทำหาทำหากินแบบนี้อาชีพช่อกองหลอกลวงให้เขามาร่วมลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะได้เงินได้ทองกลับมา ความจริงเขาก็เอาเงินทองที่เราได้ที่เขาได้มาจากเรามาเอามาใจ่ายให้ว่าเป็นรายได้ท่านั้นเองแต่ความจริงรายได้จริ ง, รงๆไม่มีมันก็เป็นการหลอกลวงคนพวกนี้เป็นพวกที่มีความเกลียดค้านในการทำมาหากินที่ซื่อสัตย์สุจริตอยากจะมีเงินมีทองไว้เที่ยวไว้กินไ ว, ไว้ดื่มก็เลยหาวิธีหาเงินหาทองแบบง่าย เราก็ต้องไปทำบาปไปชอ่อกงไปหลอกลวงพูดแล้วไม่ช้าก็เล็วก็อาจจะต้องถูกเจ้าหน้าที่จับไปลงโทษต่อไปแล้วข้อหนึ่งของอบายามุขก็คือการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสถ้าเราชอบคนเล่นถ้าเราชอบถ้าเราครบกับคนที่ชอบดื่มสุรายามเม า, าเขาก็มักจะชวนเราไปดื่มสุรากับเขาถ้าเราครบกับคนที่ชอบเล่นการพ น, นัน เขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันเนี่ยถ้าเขาชอบเที่ยวเต่เขาจะชวนเราไปเที่ยวเต่ถ้าเขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านซึ่งมันก็จะทำให้เราไปเสพอบายมุขกับเขาแล้วเราก็อาจจะต้องไปทำบาปเวลาที่เราไม่มีเงินมีทองพอใช้ต่อไปก็จึงต้องละการกระทำละการกระทําเหล่านี้คือละการเสพอบายมุข เพื่อที่จะทำให้เราไปทำบาปได้ยากขึ้นถ้าเราไม่ไม่เสียบะบายอย่างุกเราก็จะมีเงินทองพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนถึงกับจะต้องไปทำบาปทำกรรมกับพู้นอันนี้คือการละการกระทำบาปทั้งปวงเพื่อปิดการไปเกิดเวียนว่ายตายเกิดในอบาย ถ้าเราปิดประตูอบายได้เราก็จะรักสถานภาพของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ก็คือเรารักษาความเป็นมนุษย์ของเราได้ความเป็นมนุษย์นี้ก็วัดอยู่ที่ตรงไหนก็วัดอยู่ที่ว่ามีศีลห้าหรือไม่มีศีลห้านั่นเองถ้ามีศีลห้าก็ถือว่าเราเป็นมนุษย์ครบบริบูรณ์ถ้าเราเริ่มทําบาปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งไม่ว่าด้วยความโงงก็ดีด้วยความโลคกระเด็ด้วยความกลัวก็ดีด้วยความโกรธก็ดี จิตใจของเราก็จะค่อยๆเสื่อมจากมนุษย์ไปเป็นไปเป็นเปลืบ้าง เ, เ, เ, เป็นสุรากายบ้างไปนรกบ้างหรือเป็นเดรัจฉานบ้างพอร่างกายตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ไม่ทําบาปเราก็จะรักษาระดับของจิตใจเราให้อยู่ในระดับของของมนุษย์ไปได้เรื่อยๆสมมุติว่าถ้าเกิดเราตายไป เราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อจะไม่ไปไปเกิดในอบายแต่เราก็ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะว่าเราก็ยังต้องกลับมาเกิดเพราะว่าเรายังมีความอยากที่อยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะไม่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเป้าหมายที่เราจะต้องทำต่อไปคือ เป้าหมายที่สองคือยกระดับจิตใจของเราให้สูงกว่าที่เป็นมนุษย์คือให้ไปเป็นเทวดาเป็นเทพอันนี้ก็เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆ น, นั่นเองการทําบุญทําทานการทําบุญทำประโยชน์สงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลที่จะทําให้จิตใจนี้สูงขึ้น จิตใจจากมนุษย์ก็จะขึ้นกลายเป็นเทพขึ้นมาเป็นเทวดาขึ้นมาแล้วเวลาตายไปจิตใจก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆก่อนจนกว่าบุญที่ได้ทำไว้มันหมดกําลังลงทุนยากลรมมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆแต่อย่างน้อยการเวียนว่ายตายเกิดก็จะเวียนว่ายตายเกิดในสุขติ เพื่อไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเรารักษาศีลห้าได้ถ้าเราทำบุญทำทานอยู่อย่างสม่าเสมอเช่นช่วงนี้เราเข้ามาทำบุญทำทานเกี่ยวกับการถวายผ้ากระถินกันไปทำบุญตามวัดต่างๆถวายผ้าป่าบ้างถวายผ้ากระถินบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพเพราะการที่เราจะไปไปพนนิพพานได้ เราจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้เราต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับ<ม>จากเทพเราก็ต้องไปขั้นที่สูงกว่าเทพก็คือขั้นของพรห ม, มจากขั้นของพรหมไปสู่ขั้นที่สูงกว่าพรหมก็คือขั้นของพระอริยเจ้านั่นเอง<ม>ขั้นของพระโสดาบานันขั้นของพระสกิรดาคามีพระอนาคามีพระอนหาหันตามลาดับ พอถึงขั้นผ้หาหลานแล้วจิตใจก็จะถึงพนานิพานจิตใจก็จะวิมุติหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็จุดจำเป็นที่ยังเจ้ะต้องมีการปฏิบัติขั้นที่สามต่อไปหลังจากที่เราได้ปฏิบัติขั้นที่หนึ่งแล้วคือปิดประตวบ่ายแล้วเราก็มาปฏิบัติขั้นที่สอง <Okay. S 1> ก็คือมาสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามกําลังทรัพย์ที่เรามีอยู่ ถ้ามีทรัพย์มากทรัพย์น้อยที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็บ่อยจากไปทาบุญทาทานไปไม่ว่าจะทำบุญกับศาสนาก็ดีทำบุญกับองค์กรการกุศลต่างๆก็ดีทำบุญกับโรงพยาบาลก็ดีทำบุญกับโรงเรียนก็ดีล้วนเป็นการทำบุญเหมือนกันหมดล้นเป็นการทำทานคือการให้การให้นี่แหละ เ, เรียกว่าเป็นการทาบุญ การให้ทานนี้แปลว่าให้แล้วพอให้แล้วก็จะเกิดผลของการให้ผลของการให้เราเรียกว่าบุญคือความสุขใจอิ่มใจความสุขที่เพิ่มขึ้นจากความสุขของมนุษย์มาเป็นความสุขของเทวดามเมื่อเราได้ขึ้นสู่ขั้นเทวดาแล้วขั้นเราก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่อีกขั้นได้คือก้าวขึ้นสู่ขั้นของพรหมที่มีความสุขที่ละเอียดกว่า ที่มีความสุขมากกว่าวิธีที่จะทำให้เราก้าวขึ้นสู่ขั้นพรหมจากขั้นเทพก็คือเราต้องมาบปดิบัติข้อที่สข้อที่หนึ่งให้ปิดประตูบายด้วยการไม่ทำบาข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ยกระดับจิตใจให้ขึ้นจากมนุษย์ให้มาเป็นเทพพอเราเป็นเทพได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ไปขั้นของพรหม วิธีที่เราจะไปขั้นของพรหมนี้เราก็ต้องทําตามขับสอนข้ อ, ขอที่สามที่สอนให้ชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ<ม>ิ์การชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้ก็มีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นชั่วคราวบริสุทธิ์แบบชั่วคราวแล้วก็บริสุทธิ์แบบถาวร<ม>เราก็ชําระทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยขั้นที่หนึ่งก่อน เพราะขั้นที่หนึ่งนี้เป็นขั้นที่ง่ายและเป็นขั้นที่จำเป็นจะต้องมีก่อนที่จะไปขั้นที่สองได้วิธีที่จะชำระจิตใจให้เราสะอาดบริสุทิขั้นที่หนึ่งนี้เราก็เรียกว่าการดำเนินจิตสมถะภาวนาคาว่าภาวนานี้ก็คือการชำระจิตใจให้สะอาดบรยสุดสมถะภาวนาก็ทาให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ชั่วขณะที่สงบอยู่ในสมาธิ แล้วก็ขั้นที่สองก็คือทําใจให้สะอาดบอยสุดด้วยการเจริญวิปัสสนาภาวนาอันนี้ก็จะทําให้จิตใจสะอาดบอยสุดตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสมาธิหรืออยู่นอกสมาธิอันนี้เป็นขั้นตอนที่ต้องทําอีกสองขั้นตอนก่อนที่เราจะสามารถออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ขั้นที่หนึ่งเราก็ต้องยกระดับจิตใจของเราให้เข้าสู่สมาธิเข้าสู่พรห ม, มโลกก็คือเข้าสู่ฌานต่างๆจิตใจที่สามารถเข้าสมาธิในระดับของฌานต่างๆได้ก็จะสามารถเข้าไปอยู่ในระดับของพรห ม, มโลกได้จิตใจก็จะกลายเป็นพรหมไป เ, ออเช่นถ้าเกิดร่างกายนี้ตายไปแล้วยังไม่หลุดออกจากกองทุกข์ยัง ไม่ไปถึงพระนิพพานถ้าเราทําสมถะภาวนาทําจิตใจให้สงบให้รวมเข้าไปอยู่ในฌานขั้นต่างๆได้จิตใจเราก็จะเป็นพรมขั้นต่างๆฌานนี้ก็มีแบ่งไว้ถึงแปดแปดขั้นด้วยกันรูปฌานสี่รูปฌานสี่การได้เข้ารูปฌานสี่ก็จะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นรูปประรม ถ้าเราเข้าสู่อรูปฌานอีกสี่ได้เราก็จะไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ของรูปรภพก็คือสวรรค์ของอรูปรภพอันนี้ก็เกิดจากการบําเพ็ญชำระจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนะภาวนาส ม, มะถะภาวนาวิธีที่เราจะทําให้จิตใจของเราสงบให้เข้าสมาธิให้เข้าฌานได้สิ่งที่เราจะต้องมีก็คือหนึ่งเราจะต้อง ละเว้นจากการเสดกลามเพราะว่าถ้าเรายังเสพกลามอยู่เราก็จะติดอยู่ในสวรรค์ชั้นเทพอยู่แต่ถ้าเราอยากจะออกจากสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องเลิกเสดกามเลิกเสบรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐาพะเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้ามาเป็นศีลแปดแล้วก็เปลี่ยนศีลข้อที่สของศีลห้ามาให้เป็นอรรมจาริยาคือการละเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์ ส้นห้านี้ยังอนุ ญ, ญาตให้มีเพศสัมพันธ์กับคู่ครองของตนได้อยู่แต่ถ้าอยากจะขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมพรหมนี้จะไม่เสพกลามแล้วไม่เสพรูปเสียงกลภภิ่นรสโผฏฐะแต่จะเสพความสุขที่เกิดจากการได้เข้าสมาธิเข้าในเข้าฌานขั้นต่างๆอย่า ง, างที่จะเข้าฌานขั้นต่างๆได้ก็ต้องเลิกเสพกลาม ถ้าไม่เลอกเสพการมันก็จะติดอยู่ในการไม่สามารถที่จะทําให้จิตเข้าสมาธิได้เนะพราเวลาที่จะนั่งสมาธิก็เกิดการมาฉันทะขึ้นมาเกิดความอยากจะเสพการขึ้นมาแทานที่จะไปนั่งสมาธิก็เปลี่ยนใจไปนอนกับแฟนดีกว่าเป็นต้นนะอันนี้ถ้าอยากจะขึ้นสูงกว่าชั้นเทพก็ต้องละการเสพความสุขของชั้นเทพเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ความสุขของชั้นภูมิ พรมนี้จะเสดความสงบเสดความสงบของฌานขั้นต่างๆซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังนั้นถ้าอยากจะเข้าไปสู่สวรรค์ชั้นพรมอยากจะพบกับความสุขของสวรรค์ชั้นพรมก็จําเป็นที่จะต้องละการเสดกลางเรียกว่าให้มาถือศีลเนคขมมะพวกที่ศรัทธายาโยมมาอยู่วัดแล้วก็มาถือศีลแต่กันนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มา มาถือศีลในข ม, มะในข ม, มะก็คือการยุติการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิภภ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อผู้ที่ปรารถนาที่จะยกกระดับจิตใจจากการเป็นเทพให้ขึ้นไปสู่การเป็นพรหมจาเป็นที่จะต้องไม่เสพกามศีลข้อสามก็เปลี่ยนจากการเมมาเป็นอับบรรมาจรรยา เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์พรหมจรรย์ก็คือไม่มีการร่วมเพศกับใครแล้วก็เพิ่มศีลท้อหกคือไม่ให้หาความสุขจากการดื่มจากการรับประทานอาหารตามความอยากนะการดื่มการรับประทานอาหารตามความอยากก็ยังเป็นการเสรกกรามอยู่เป็นการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ของอาหารแล้วนะถ้าถ้ากินบ่อยๆกินทั้งวัน เวลาจะมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบมันก็จะง่วงมันก็จะหลับนั่งนล้วก็สับประกแทนที่จะเข้าสมาธิก็เข้าผวางหลับแทนอันนก็ต้องกินพอประมาณรับประทานอาหารเดืม่มเครื่องดื่มพอประมาณเช่นไม่ให้ดืม่มไม่ให้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเครื่องดื่มก็ต้องดื่มแต่เฉพาะน้ําผลไม้คั้นเป็นต้นหรือน้ําเปล่าไม่ให้ดื่ม เครื่องดื่มต่างๆที่มีรสชาติที่จะทำให้เกิดมีความติดในรสรูปเสียงกลิ่นรสพจ์ของของเครื่องดื่มของอาหารก็ให้ให้ยุติการดื่มการเสพการของเครื่องดื่มและของการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ง่วงนอนมากจนเกินไปจากการรับประทานอาหารมากเกินไป เวลานั่งจะได้ไม่สับประหนกจะไม่มีความเกลียดครางจะทำให้มีความขยันที่จะต้องหมั่นฝึกสตินั่งสมาธิไปเรื่อยอสีนข้อหกแล้วก็ถือสินข้อเจ็ดก็คือไม่ให้หาความสุขจากหมอรมบันเทิงต่างๆ <S <S ไม่ดูภาพยนตร์ดูละครดูลิเก ด, ดูเครื่องบันเทิงต่างๆไม่ให้ร้องนำทำเพลงไม่ให้เสริมสวยความงามของร่างกาย ด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่วิจิตรพิสดารรู้ใช้เครื่องสำอางเสริมสวยความงานต่างๆของร่างกายเพราะมันเป็นความสุขของการอารมณ์เป็นความสุขที่ที่ทใช้ลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะเป็นอารมณ์เราต้องยุติการหาความสุขเหล่านี้ให้แต่งตัวแบบเรียบง่ายชุดขาวก็ได้ไม่ชุดขาวก็ได้แต่เรียบง่ายแบบเสื้อผ้าแบบสบายๆแล้วก็อาบน้ำนั่งหน้า ให้สะาดก็พอไม่ต้องเสริมสวยความงามเพราะนั่นเป็นความสุขทางการอารมณ์เราต้องการเรเราต้องการหาความสุขจากการทำใจให้สงบเราจึงไม่ควรเสียเวลาให้กับการไปไปการในการเลี้ยงดูดูแลร่างกายให้สวยให้งามมากจนเกินไปเพราะเราไม่ต้องการหาความสุขจากความสวยงามของร่างกายแล้ว เาความสวยงามของร่างกายเป็นก็เป็นความสวยงามแบบชั่วครั้งชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องแก่ไปเรื่อยแล้วในที่สุดก็จะไม่สามารถเสริมความงามของร่างกายได้ต่อไปเราก็<ๆ>อย่าไปหาความสุขแบบนี้เพราะมันจะทำให้เราทุกข์ต่อไปได้เมื่อเราไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายของเราสวยงามไปตลอดเวลาเหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ เราก็ไม่ให้นอนมากเกินไปเพราะการนอนมากเกินไปก็จะทำให้เสียเวลากับการที่เราจะมาปฏิบัตินั่งสมาธิกันนั่นเองก็เลยให้นอนแบบที่มันไม่สบายก็คือนอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสื่อก็พออย่ามอย่านอนบนฟูกหนาะๆนะที่ทำให้มีความสุขมากๆเพราะว่าเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วเวลาตื่นขึ้นมา ใจจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะทําให้นอนต่ออีกหลายชั่วโมงถ้านอนบนพูกนหนาๆนอนบนเตียงที่มีความสุขแต่ถ้าเรานอนบนพื้นแข็งๆนี้พอร่างกายได้พักผ่อนลํานอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาทําสมาธิต่อไปอ น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทํา า ก, การที่เราอยากจะเปลี่ยนอยากจะยกระดับจิตของเราจากระดับเทพขึ้นสู่ระดับพรหมนี่เราต้องเปลี่ยนวิธีเสกความสุขจากการเสกกรเมื่อเสกความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิและการที่เราจะนั่งสมาธิให้จิตสงบให้มีความสุขได้เราก็ต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติเพราะว่าการนั่งสมาธินี้จิตจะสงบจะนิ่ง หรือไม่มนี้ขึ้นอยู่กับสติเป็นผู้ควบคุมใจถ้าเราไม่มีสติคอยควบคุมใจนี้ใจก็จะไม่มีวันสง บ, บได้ใจก็จะนั่งคิดไปเรื่อยๆใจนี้ก็ไปเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปตามท้องถนนรถยนต์เวลาวิ่งตามท้องถนนเวลาถึงสี่แยกไฟแดงก็ต้องจอดวิธีที่จะทำให้รถจอดก็คือต้องเหยียบเบรกกันถ้ารถไม่มีเบรก รถก็จะวิ่งผ่านฝ่ายแดงไปได้และอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ฉนันใดใจของเราถ้าต้องการให้นิ่งให้สงบใจก็ต้องมีเบรกเบรกที่จะทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบได้ก็คือสติคือการระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นระลึกรู้อยู่กับคาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ก่อนที่เรามานั่งสมาธิ เพราะว่าจิตของเรากำลังคิดอยู่เราก็ต้องหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิถ้าเราจะมานั่งสมาธิแล้วเราค่อยมาหยุดความคิดนี่เราจะมีเวลาไม่พอนั่งได้สักพักหนึ่งเน้ยจิตก็ร่างกายก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็จะทำให้เราไม่มีความอยากจะนั่งต่อไปแต่ถ้าเราคอยควบคุมความคิดไว้ก่อนที่เรามานั่งสมาธิครบคุณตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลย เราสามารถเจริญสติเจริญสติฝึกสติได้ทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับพยายามใช้เวลาที่เราเตืนนี้มาให้กับการเจริญสติให้มากพยายามนึกถึงคำบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เลยความคิดก็จะน้อยลงหรือบางครั้งก็อาจจะหยุดคิดไปชั่วครั้งชั่วคราว ถ้าช่วงไหนที่ใจเราไม่คิดอะไรเราก็ไม่ต้องบริกรรมพุทธโธก็ได้เพราะถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเวลาเรามานั่งสมาธิพอเรานั่งหลับตาพุทธโธพุทธโธไปไม่นานห้านาทีจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายได้เพราะเรามีสติคอยควบคุมความคิดไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งถ้าเราจะมาฝึกสติตอนที่เราเริ่มนั่งสมาธินี้ สติเราจะมีกําลังน้อยจะไม่สามารถหยุดความคิดได้ในเวลาอันสั้นเมื่อนั่งไปนานๆเข้าร่างกายก็จะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็จะทําให้เราทนนั่งต่อไปไม่ได้เราก็จะเริ่มนั่งฝึกสมาธิมาไม่ว่ากี่ปีก็จะไม่เคยเข้าสู่ความสงบได้เพราะเราลืมเคล็ดลับที่สําคัญก็คือการฝึกสติก่อนที่เรามานั่งถ้าอยากจะนั่งสมาธิเพื่อให้เกิดผลเกิด ประโยชน์ขึ้นมานี้เราจําเป็นจะต้องฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิฝึกสติได้ในอิริยาบทุทกเอเริยาบทไม่ว่าเรากําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังทำอะไรก็ตามให้เรามีใช้พุโทโธพุโทโธอยู่ในใจไปเรื่อยๆยกเว้นว่าถ้าเราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดที่สําคัญที่จำเป็นต้องคิดเราก็หยุดพุดโทโธไว้เชื่อคางเราก็คิดเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องคิดคิดให้มันเสร็จเป็นเรื่องเป็นราวไป พอคิดเสร็จเราก็กลับมาหยุดความคิดใหม่ด้วยการใช้คำเลยกา ร, รพุโทโธพุทโธการที่จะทําให้เราควบคุมความคิดได้ดีเราต้องปฏิบัติจิตภาวนาในวันที่เราไม่มีไม่ต้องทํางานเพราะถ้าเราวันที่เราทํางานนี้จะปฏิบัติจเจริญสติได้ยากจะหยุดความคิดได้ยากเพราะเราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานที่เรากําลังทําอยู่เราต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วย การเจริญจิตธภาวนาจึงเป็นไปได้ยากสำหรับผู้ที่ยังต้องทำงานอยู่ถ้าอยากจะเจริญสตินั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบนี้ต้องทำในวันที่ไม่มีงานทำเช่นทำในวันท ำ, ทำสมาธิเจริญสติในวันหยุดทำงานแล้วก็ต้องไปหาสถานที่ที่สงบที่ไม่มีใครมารบกวนถ้าอยู่ใกล้คนเดี๋ยวก็ต้องคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้คุยแล้วใจก็ต้องคิดคิดแล้วใจก็ฟุ้ง แต่นั่งสมาธิก็ทาให้ใจสงบไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องการที่จะฝึกสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาจึงจะเป็นจะต้องหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกเช่นไปอยู่ตามวัดต่างๆวัดปฏิบัติธรรมนี้จะมีจะมีเป็นสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกจะไม่มีคนเพลกบพลานคนที่อยู่ปฏิบัติธรรมนี้คนทุกคนก็จะ ต่างคนต่างมีสติคอยควบคุมใจก็จะไม่มารบกวนกันไม่มาสนทนากันไม่มาคบคพลีกันต่างคนก็ต่างอยู่ในที่ปฏิบัติของตนปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิไปถ้ามีเหตุปัจจัยอย่างนี้แล้วการที่จะยกระดับจิตใจจากจากเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายก็คือเราต้องมีการรักษาศีลแปด บวชเนคขมมะหาหาสถานที่ที่สงบสงัดมิเวกแล้วก็เจริญสติอยู่เรื่อยๆทั้งวนันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับถ้าทำอย่างนี้ได้เวลานั่งสมาธิจิตก็จะสามารถรวมเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานขั้นต่างๆได้ใจก็จะเข้าสู่พ ม, มโลกเวลาใจสงบอยู่ในสมาธิก็จะพบกับความสุขของความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง พระพเจ้าทรงตรัสว่านัตถิสันติพลังสุขขังสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายนี้ไม่มีสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่มีความสุขที่เราได้จากการเสพนุ่มเสียนิดลดนี้เป็นความสุขที่ที่ต่ำกว่าที่หยาบ ก, กว่าความสุขที่เราจะได้รับจากการทําใจให้สงบเวลาทําใจให้สงบนี้ใจเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความอยากได้ชั่วคราว เพราะความอยากไม่สามารถทํางานได้ความอยากที่จะพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดมาหาความสุขต่างๆนี้มันก็จะหยุดทํางานชั่วคราวแต่พอเราออกจากสมาธิมาพอเราจิตนั่งคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ <S 2> <S 2> ถ้าถ้าเรายังมีความอยากอยู่ในใจยังไม่ได้กําจัดมันความอยากนี้ก็จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถึงแม้จะไปเกิดในพรหมโลกก็ตามนะแต่ยก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเวลาที่เราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเราก็ต้องใช้ปัญญาวิปัสสนาแปลว่าการรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเราเนี่เกิดจากความอยากกา마ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาเวลาเกิดความอยากเราก็ต้องหยุดมันวิธีที่จะหยุดมันก็ต้องมีสมาธิมีอูเบคา มีกําลังที่จะหยุดความอยากแล้วก็ต้องมีปัญญาให้เห็นว่าการทําตามความอยากจะนําพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆพอเราสามารถกําจัดความอยากต่างๆได้เป็นขั้นๆไปเราก็จะสามารถบรรลุปเป็นพระอริยบุคคลเป็นขั้นใหม่จากขั้นโสดาบันไปขั้นสกิรดาคามีขั้นอนนาคามีและขั้นพระอาหานต อันนี้ต้องเกิดจากการเจริญวิปัสสนาภาวนาคือตัดกิเลสหรือตัดความอยากด้วยการใช้ปัญญาปัญญาจะสอนว่าการทําตามความอยากจะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็จะต้องยุติการทําความอยากต่างๆแล้วเมื่อยุติได้ด้วยกําลังของสมาธิและปัญญาแล้วจิตใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไป พอจิตใจหมดสิ่นความอยากจิตก็จะเป็นจิตใจที่สะอ า, าดบริสุทธิจิตใจที่หลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือจิตที่อยู่ในนิพพาน<ม>เรียกว่านิบานังปรมังสุ ข, ขัง<ม>นี่เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติคือขั้นวิปัสสนาภาวนาแต่ก่อนที่เราจะมาถึงขั้นวิปัสสนาได้เราต้องผ่านขั้นสมถะ ภ, ภาวนาก่อน ก่อนที่เราจะผ่านขั้นสมรรถภาวนาได้เราต้องผ่านผ่านขั้นการทําบุญทําทานก่อนละการก่อนที่เราจะมาถึงขั้นของการทําบุญทําทานเป็นเทวดาได้เราก็ต้องไปปิดประตูอบายก่อนด้วยการละ ก, ก, ก, การทการกระทําบาปทั้งปวงนี่แหละคือขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทุกทุ ก, ทกองค์ปฏิบัติกันมาทุกองคปฏิบัติเหมือนกันทุกองคละการกระทําบาปทุกองค์สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อม ทุกของชั้นนจิตใจของตนให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อทําทั้งสามข้อนี้ได้ครบบริบูรณ์จิตใจก็จะวิมุติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแ น, น่นอนนี่คือการใช้ร่างกายให้เกิดประโยชน์กับตัวเราและกับผู้อื่นต่อไปเพราะเมื่อเราได้หลุดพ้นแล้วเราก็จะสามารถสอนผู้อื่นที่ยังติดอยู่ในกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้หลุดพ้นตามมาอย่างที่พระเจ้าและพราหาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกัน นี่คือการใช้ชีวิตใช้ของการเกิดมาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ก็คือการมาหยุดการเกิดกันด้วยการละการกระทำบาปด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปพอทําได้ครบบริบูรณ์จิตใจเราก็วิบูติหลุดพ้นจิตใจเราก็เข้าสู่พระนิพพานไปนี่ก็คือเรื่องราวของการเกิด ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาลิวาหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวามีวะอิโตทินางเปตานาอุปกัปปติ เอชิตังปะทิตังตุมหังคิดเะเมวะสามิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาราโสยธามนิโชติาราโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตราโยสุขีตีขายุโกภวะ อาพิวาธานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวันติอายุวนันโสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใคร<ๆ>มีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ผู้ติดตามธรรมะนากุติมีทั้งหมดหนึ่งันห้าสิค่ะเป็น f a c e b o o สา4ร y อยสี่สิพระอาจารย์สุ ช, ชาติสา7ร้อยแปดสิบเจ็ดรวีห้าสิบสาวิทยุออนไลน์6กคลับเฮาส์เจผู้รับฟังนากุติสอง้อยหกสิบท่านค่ะ Yeah. Okay. ถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยนะค่ะคำถามแรกค่ะในขณะที่กำลังเจริญอสุภะภาวนาจนสมาธิสงบนิ่งในระดับหนึ่งจิตได้พิจารณากายทั้งกายภายนอกและอวัยวะกายภายใน แล้วเกิดอาการรู้และหรือเห็นถึงสภาวะของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งกายว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตารวมทั้งทุกขเวทนาขอนมมสการถามว่าเมื่อสภาวะจิตรู้เปรียบเทียบกับสภาวะจิตที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับคือการรู้หรือการเห็นนี้ มีไว้เพื่อให้ดับกิเลสให้หยุดกิเลสเช่นหยุดความรักชังในร่างกายของเราหรือของผู้อื่นเช่นเรารักคนนั้นคนนี้อยากให้เขามาเป็นแฟนเราพอเราเห็นว่าเป็นศุภะไม่สวยไม่งามเราก็เลิกรักเขาได้ไม่ไม่มีความผูกพันกับเขาหรือถ้าเราหลงคิดว่าตัวเรานี้ร่างกายนี้เป็นตัวเรา พอพิจารณาเห็นว่าเป็นเพียงอาการสามสิบสองแล้วไม่ยึดไม่ติดไม่ถือว่ามีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ร่างกายจะเป็นจะตายเราก็เฉยเฉยไม่เดือดร้อนอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความ ร, รู้ความเห็นที่ที่แท้จริงคือต้องมาดับความทุกข์ที่เกิดจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้คาถามจากออผู้รับฟังน้ากุฏิค่ะพระอาจารย์ครับ ข้อหนึ่งสันทิติโกกับปัจจตังเวทิตโพโภวินยูฮีจุดแบ่งของข้ออัดข้อธรรมนี้คืออย่างไรครับสันทิติโกหมายถึงธรรมของพระพุทธเจ้านี้ผู้ปฏิบัติจะสามารถพิสูต ร, รู้ได้ด้วยตนเองเช่นใครปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เรียกว่าสันทิติโก ปั จ, จตังนี่หมายถึงสำหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ฉลาดเป็นวิญยูชนคนที่งโงน่นี่สอนไปจนตายก็เหมือนใส่สน้ำใส่น้าใส่หลังหมาสวัด ท, ทิ้งหมดฟังเข้าหูซ้ายออกหูขวาฟังเทศก็เป็นแบบทับทีในหม้อแกง <laughs> ข้อสองกำหนดจิตให้รู้ที่ปลายจมูกตามานาปานสติ ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งไปที่ใดที่หนึ่งไม่ควรปฏิบัติใช่ไหมครับใช่จิตจะไม่นิ่งไเราต้องการให้จิตนิ่งจิตสงบจิตต้องอยู่ที่เดียวอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าก็ปล่อยเขาเข้าไปไม่ต้องตามเข้าลมออกมาก็ไม่ต้องตามลมออกไปให้อยู่ตรงที่จุดลมเข้าออกจุดเดียวแล้วจิตก็จะได้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิขึ้นมาได้คำถามต่อไปค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ โยมสงสัยปัจจุบันนี้มีการสอนธรรมะในลักษณะการอยู่กับความว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องปฏิบัติระดับใดจึงถึงจะเห็นว่างที่แท้จริงคือความว่างมันมีหลายระดับนะระดับของสมาธิก็ว่างระดับของปัญญาก็ว่างอย่างหบบนึง่งดัน้เราก็ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็ฝึกสติให้ว่างแบบสติก่อน คื อ, อย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งถ้าไม่องั้นเรื่องนี้ขอหยุดความคิดด้วยการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปจิตก็จะว่างในระดับสติแล้วพอเรามานั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิจิตก็จะว่างในระดับของสมาธิพอจากสมาธิมาพอจิตเริ่มมีกิเลสตัณหาโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาพิจรณามาหยุดกิเลสพอกิเลสหมดไปจากใจใจก็จะว่างระดับปัญญาต่อไป มีสาระดับด้วยกันเออต่อจากเมื่อสักครู่ค่ะบางท่านสอนว่าไม่ต้องไปนั่งสมาธิให้มากๆขอแค่รู้ตัวระหว่างวันก็พบความว่างได้โยมมีความคิดว่าถ้าสมาธิไม่แน่นจิตไม่ตั้งมัน่นจะพบความว่างที่แท้จริงได้อย่างไรขอพระอาจารย์เมตตาระดับว่างแบบนี้เรียกว่าระดับสติ คอยควบคุมได้ด้วยสติม่ให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ว่างในระดับสติแต่ยังไม่ว่างในระดับสมาธิจิตรวมเป็นหนึ่งแต่ว่ารู้ร่างกายหายไปอะไรหายไปหมดเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวอันนี้อีกระดับหนึ่งข้อหนึ่งค่ะ หนูเป็นทุกข์กับการมองเห็นรอบกายพวกบ้านตึกต่างๆร่างกายคนแก่ชราคนตายเห็นมันค่อยๆเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆจนแตกดับจบไปค่ะเกิดอาการอะไงนะไม่สบายใจเลอมองเห็นค่ะงแตผู้อ่านใหม่ต้อง่านใหม่หนูเป็นทุกข์กับการมอ ง, มองเห็นรอบกายท้ายังเป็นทุกข์อยู่อย่าเพิ่งไปมอง ให้ทำใจให้สงบก่อนถ้าใจยังไม่สงบไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาใจจะเศร้าหมองเวลาไปเห็นสิ่งที่มีการเสื่อมมีการสิ้นสุดลงจิตยังไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาได้ก็อย่าเพิ่งไปมองในลักษณะนั้นให้มาทำใจให้สงบก่อนมองอะไรก็อย่าไปทิศปรุงแต่งว่าไม่ไม่เที่ยงมองไว้เฉยเฉยไปก่อนแล้วก็มาฝึกจิตให้จิตนิ่งสงบรวมเป็นสมาธิก่อน พอจิตเป็นสมาธิแล้วมีกําลังแล้วทีนี้เข้าไปพิจารณาความเสื่อมของทุกอย่างแล้วตอนนั้นจิตก็จะไม่ทุกข์จิตก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ข้อ2ค่ะหนูเป็นทุกข์กับการเห็นใจตนเองเกิดความเบื่อหน่ายในการ ม, มาราคะความรู้สึกเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแป๊บแบหายแล้วเกิดขึ้นเห็นมันเป็นทุกข์กับมันแล้วก็หายค่ะแค่นั้นแหละจิตเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มีโอเบคา เห็นเฉยเฉยไม่ได้เห็นแล้วยังต้องไปรักไปชังไปกลัวไปหลงอยู่เพราะฉะนั้นต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอุเบกขาก่อนพอจิตรวมเป็นสมาธิมีอุเบกขาแล้วทีนี้เวลาออกมามองอะไรมันก็จะมองแบบเฉยเฉยอะไรจะเกิดก็เฉยอะไรจะดับก็เฉยจะเห็นความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาคำถามจากท่านถัดไปค่ะ หนูเป็นทุกข์เรื่องสามีไม่ดูแลเลี้ยงดูทั้งที่หนูลำบากเรื่องเงินมีค่าใช้จ่ายไม่พอใช้ค่ะหนูควรทำตัวอย่างไรไม่ให้ใจเป็นทุกข์เจ้าคาอย่าไปพึ่งเขาเลยพึ่งตนเองขุนจ่าบอกอ ะ, อะไรนะอ no ัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนถ้าเพื่อเราพึ่งตัวเราได้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราไปพึ่งคนอื่นแล้วเขาพึ่งแล้วเขาไม่ให้เราพึ่งนี่เราก็จะทุกข์ขึ้นมาพยาะนั้นพยายามผัดฝึกให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนแล้วต่อไปจะไม่ต้องไปทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้เพราะเขาเราพึ่งเขาไม่ได้คําถามจากทางยูทูบค่ะจากคุณวชิรวิทย์กราบเรียนถามขออุบายลดความอยากความอร่อยในรถในอาหารด้วยครับมองถึงอาหารอยู่ในปากบ้าง อย่าไปมองแต่อาหารในจานเวลาเคี้ยวเข้าไปในปากแม่มันอร่อยเหลือเกินเขาดูหน้าตา ม, มันหน่อยได้ไหมคลายมันออกมาแล้วตักเข้าไปใหม่เวลาที่เคี้ยวแล้วผสมกับน้ำลายแล้วมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ในจานนะเวลาอยู่ในจานนี่น้ำลายไหลพออยู่ในปากเอาออกมาแล้วกินไม่ลงนะกินไม่ลงนะคาถามต่อไปจากคุณศิริลักษ์ค่ะ พระอภิธรรมเรียนรู้ยากพวกเราที่เป็นพระพุทธขอโทษค่ะพวกเราที่เป็นพุทธศาสนนทั่วไปควรศึกษาพระอภิธรรมหรือไม่อย่างไรเจ้าคะหรือควรศึกษาคาสอนพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าได้อย่างไรคะ <S <S ก็ควรจะเรียนตามาตามสูตรที่คณะสงฆ์จัดขึ้นมาก็คือไปเรียนธรรมะจากขั้น เ, เขาเรียก น, นักธรรมตรีก่อน นักทำตีก็จะสอนทั้งพระสูตรทั้งพระวินยัยทั้งทั้งอะไรที่ควรจะรู้เนี่ยยังไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษ า, าพระอภิธรรมหรอกศึกษาหลักทำตีให้ได้ก่อนหลักทำตีจะสอนว่าทำมีอะไรบ้างเช่นมีอริยสัจสี่มีมรรคแปดมีสัมมาธิฐิมีอะไรต่างๆนี่คําถามจากคุณพานิดาค่ะ การฝึกภาวนาพุทโธในขณะเดินออกกําลังกายถือว่าเป็นการฝึกภาวนาได้หรือไม่คะได้ถ้ามีสติอยู่การเดินกับการออกกําลังกายควบคุมความคิดได้ไม่ปล่อยให้ใจคิดเลเื่อยตัยก็ถือว่าเป็นการภาวนาอาย่างหนึ่งคือการเจริญสติคำถามจากทางเฟ e b ุ๊ก ค, ค่ะจากคุณกรหทยัย ปัจจุบันเป็นคนใจดีมีเมตตาชอบทางธรรมแต่มีคนทักว่าอดีตชาติที่แล้วเป็นคนอมมาหิตโหดร้ายจึงได้มีเจ้ากรรมนายเวรมาทำให้ทุกข์ร้อนตลอดเป็นไปได้ไหมคะจากคนอมมาหิตเป็นคนใจบุญมีเมตตาได้องค์ุลิมาลก็จากมหาโจรไปเป็นพระอาหารหันได้จิตเราสามารถคลิกได้ ถ้ารู้ว่าอะไรผิดแล้วเราเราเลิกได้เราก็พลิกจิตเราถ้ารู้ว่าอะไรดีแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ดีแทนพลิกได้แต่ต้องมีคนสอนถ้าไม่มีคนสอนมันก็จะหลงว่าเรากําลังทําถูกอย่างของคริมานก็คิดว่ากําลังทําถูกถ้าคนแล้วจะเก่งแต่พระเจ้าบอกไม่เก่งหรอกถ้าอยากจะเก่งต้องท่ากิเลสคาถามจากผู้ฝากถามค่ะจากคุณณนะอาภา กราบเรียนนักมัการพระอาจารย์ได้ประสบกับตัวเองเรื่องญาติพี่น้องที่ทำงานไม่มีความรักเมตตาต่อกันแต่ก็คิดว่าเป็นกรรมของตนเองและปัจจุบันได้ขออาโหติกรรมทั้งหมดเพื่อถวายเป็นอภัยทานแ ด, ด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดได้แบบนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะนี่ขอให้เรายังมีความเมตตากับเขาอยู่เขาจะไม่เมตตากับเราก็เรื่องของเขา แต่เรื่องของเราเราต้องมีความเมตตากับทุกคนคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณภูมิสอบถามครับพระโสดาบันต้องผ่านขันห้าในสติปัฏฐาน4 20ข้อคือต้องนั่งให้ปวดแล้วจิตปล่อยวางร่างกายเองทุกองค์ไหมครับก็ต้องผ่านทุกเวทนาเืผ่านความเจ็บไข้ได้ป่วย อาการเจ็บปวดต่างๆของร่างกายนี้พราสโดาวันไม่เดือดร้อนเฉยๆกับมันได้ <c oughs> หมดแล้วเลยหมดแล้วก็เวลาก็พอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ